เมื่อมีผู้ติเตียนพระรัตนไต ร, ไ, รไม่ให้ยินดีหรือเหลิงเมื่อมีผู้สันเสริญแล้วตรัสว่าคนอาจกล่าวชมเชยพระองค์ด้วยศีลสามชั้นจูลศีลศีลอย่างเล็กน้อยหนึ่งเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติล่วงปรมจันสองเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดยุให้แตกกัน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 คือพวกที่มีความเห็นปรารบเบื้องต้นของสิ่งต่างๆว่าเป็นมาอย่างไรหรือปุพพันตะกับปิกะสิประเภทกับพวกที่มีความเห็นปรารบเบื้องปลายของสิ่งต่างๆว่าจะลงสุดท้ายอย่างไรคืออปรันตะกับปิกะ4ีบสประเภทรวมเป็น62ดังต่อไปนี้ความเห็นปรารบเบื้องต้นสิบปด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 พูดสัตสายไม่ตายตัวเหมือนปลาไหลคืออมราวิเคปิกะสีเห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุคืออาทิตย์จัสมุปปนะสองรวมเป็นสิบปดดังรายละเอียดคือสัตสตาวาทะสีหมวดเห็นว่าเที่ยงหนึ่งเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึงแสนชาติ 2. เห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้เป็นกับกับตั้งแต่กับเดียวถึงสิบกับ 3. เห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้มากกับตั้งแต่สิบกับถึงสีสิบกับ 4. นักเดาเดาตามความคิดค่ายคาเนว่าโลกเที่ยง เอกะจะอาศัตสติกะสี่หมวดเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงหนึ่งเห็นว่าพระพรหมเที่ยงแต่พวกเราที่พระพรหมสร้างไม่เที่ยงสองเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกที่มีโทษเพราะเล่นสนุกสนานไม่เที่ยงสเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกที่มีโทษ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 คือทิฏฐธรรมนิพพานวาธะห้ารวมเป็น44ิบดังรายละเอียดคือสัญญีวาทะ16หมวดเห็นว่ามีสัญญา 1. ตนมีรูปสองตนไม่มีรูป 3. ตนทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูป 4. ตนมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ หตนมีที่สุดหตนไม่มีที่สุดเจ็ดตนทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุด 8. ปตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่เกตนมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นอันเดียวกันสิบตนมีสัญญาต่างกันสิบเอ็ดตนมีสัญญาเล็กน้อยสิบสอง ตนมีสัญญาหาประมาณไม่ได้ 13. ตนมีสุขโดยส่วนเดียว 14. ตนมีทุกขโดยส่วนเดียว 15. ตนมีทั้งสุขทั้งทุกขิบหตนไม่มีทุกขไม่มีสุขตนทั้ง1 6ประเภทนี้ตายไปแล้วก็มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ทั้งสิ้น อสัญญีวาทะแปดหมวดเห็นว่าไม่มีสัญญาเห็นว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ8ดข้างต้นคือตนมีรูปจนถึงตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้งแปดประเภทนี้ตายไปแล้วก็ไม่มีสัญญาคือไม่มีความจําได้หมายรู้เนวัสัญญีนาสัญญีวาทะแปด